บทภาชนีติการนิสัยภาจิตตเรอี่ิออากาละจีวอนภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอาการละจีวอนอธิฐานเป็นการจีวอนแล้วให้แจกันต้องอบัตนิสักียาภาจิตตีอาการละจีวอนภิกษุณีไม่แน่ใจอธิฐานเป็นการละจีวอนแล้วให้แจกันต้องอบัตินิสักียาภาจิตตีอากาละจีวอนภิกษุณีสำคัญว่าเป็น การจีวออธิษฐานเป็นการจีวรแล้วให้แจกกันต้องอบัติสกิยาปาจิตตีทุกกะทุกกฎการจีวรภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอาการจีวรต้องอบัติทุกกฎการจีวรภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎการจีวรภิกษุณีสำคัญว่าเป็นการจีวรไม่ต้องอบัติ